ซึ่งวันนี้เป็นธรรมะที่ท่านได้บรรยายให้แก่คณะเจ้าภาพผู้เป็นประธานใหญ่กองผ้าป่าที่นําไปทอดถวายที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเนื่องในวันคล้ายวันที่พระเดชกุลหลวงพ่อวัดปากน้ําบรรลุวิชาธรรมกายพระนวกะภิกษุวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามปี2541ได้จัดขึ้น ในการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายบุญกุศลนั้นแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้เป็นองค์ปฐมบรมครูแห่งวิชาธรรมกายในยุคปัจจุบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยท่านได้บรรยายหลักธรรมไว้เป็นที่น่าสนใจให้แก่ท่านเจ้าภาพใหญ่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายมานิสศิลป์อาชาและท่าน รองอายการสูงสุดนายสหายซับสุนทรและผู้ร่วมนำบุญอื่นอื่นอีนอนอกประมาณพันกว่าคนได้รับฟังกันที่ทุดงคสถานวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเนื้อหาสาระนั้นก็เป็นไปเพื่อให้สาธุชนได้เจริญศรัทธาความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยและให้เล็งเห็นถึงหลักของความเป็นจริงในการศึกษา และประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเข้าถึงที่พึ่งที่เที่ยงแท้ถาวรตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นเองจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาตั้งใจสดับพระฟังธรรมบา ร, รยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยาบังคโลโดยพร้อมกันณบัดนี้ประธานใหญ่กองพระป่าทุ ก, กองท่านประธาน ผู้ประทประธานจัดงานรองประธานและกรรมการตลอดทั้งผู้นำบุญสาธุชนทุกท่านวันนี้นับเป็นวันที่เป็นมหาสิริมงคลวันหนึง่งด้วยว่า เมื่อวานเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำซึ่งเป็นวันคล้ายที่เป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหรือเป็นที่ทราบกันในชื่อย่อ ว่าหลวงพ่อสดหรือหลวงปู่สดได้บรรลุคือปฏิบัติหรือบำเพ็ญสมณธรรมแล้วได้บรรลุถึงธรรมกายตามรอยบาทพระพุทธองค์และได้สั่งสอนสิทธานุสิตให้ได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งในหลัก ธรรมวิธีการปฏิบัติพระสัตธรรมให้ได้ผลตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติตามรอยบาทพระพุทธองค์จวบจนสิน้นอายุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านและได้มีการถ่ายทอดการศึกษาและปฏิบัติธรรม ปฏิบัติถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นและได้สั่งสอนสืบต่ออกันมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรมอย่างยิ่งซึ่งอาตมาภาพเองนั้นได้ข้อมูล เกี่ยวกับผลของการปฏิบัติดังกล่าวนี้ว่าให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ตนเองแก่ครอบครัวมูคณะและแก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นคุณของธรรมปฏิบัติ ตามหลักพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้อาตมาภาพเองในสมัยที่ยังเป็นครืหัดผู้ครองเรือนอยู่ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าในสิบปีข้างหน้าจะลาออกจากงานประจำซึ่งอาตมาภาพ ได้ทำงานเป็นพนักงานหรือเรียกว่าข้าราชการต่างประเทศของต่างประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งในประเทศไทยก็ตั้งใจจะลาออกเมื่ออายุห้าสิบเจ็ดปีสมปีก่อนเกษียณเพื่อมาปฏิบัติพระาศาสนา แล้วนำธรรมะปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้สอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายถึงพระนิพพานีานเผยแผ่แก่สาธุชนพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสามเณรผู้เป็นแม่แบบแม่พิมพ์ของพุทธาศาสนิกชนและสาธุชนาศาสนิกชนอื่นๆให้ได้เห็น ความเจริญทางความประพฤติปฏิบัติทางการพูดจาทางการประกอบอาชีพและแม้เจตนาความคิดอ่านที่เรียบร้อยดีไม่มีโทษที่เป็นแต่คุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อ ให้ท่านผู้ได้มาเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นแม่แบบแม่พิมพ์นั้นท่านได้เอาความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัตินั้นถ่ายทอดเผยแผ่ต่อต่อไปยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้สำเร็จประโยชน์ตนคือสร้างพระในใจตน ประโยชน์ท่านผู้อื่นคือช่วยสร้างพระในใจคนอื่นให้ได้มากที่สุดตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติจะได้ช่วยให้แต่ละหน่วยในสังคมประเทศชาติได้มีใจเป็นพระมีความเจริญในชีวิตและมีความสันติสุขด้วยคือมีความสุขอยู่ด้ความสงบ ให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อแต่ละหน่วยของสังคมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างพระในใจตนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและช่วยสร้างพระในใจคนอื่นได้มากขึ้นในสังคมประเทศชาติของเราแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงตามส่วนของจำนวนหน่วยของสังคมที่มีศีลมีธรรมมีพระในใจตนมากขึ้นเมื่อได้มีปณิธานแน่วแน่อย่างนั้นได้มีเวลาเตรียมตัวสิบปีก่อนลาออก ได้อยู่กับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่บ้านเหมือนกับพี่กับน้องเป็นเวลาสิบปีเพื่อพิสูจน์ตนเองแล้วในขณะเดียวกันก็ดำเนินกิจกรรมให้การศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติเท่าที่สามารถจะทำได้โดย การเปิดการสอนภาวนาธรรมที่วัดสเกต ร, ราชาวร ม, มหาวิหารและมาสร้างสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในพื้นที่ดิน72ไร่ครึ่งและก็ได้ค่อยๆซื้อเพิ่มเติมมาอีกรวมทั้งหมดเป็น227ไร่และได้ จัดสรรที่ดินส่วน72ไร่ครึ่งแต่เดิมเมื่อได้จัดสร้างถาวลวัตถุดีแล้วก็ขอจัดตั้งเป็นวัดได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดชื่อวัดหลวงพระสุท ธ, ธรรมกายารามตั้งแต่ปี2534ส่วนตัวอาตมาเองนั้นเมื่ออายุครบ 20, 57ปีก็ได้ ขอลาออกจากงานประจำมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2529ณพัตรสีมาวัดปากน้าภาษีเจริญและได้นำเนินกิจกรรมการให้การศึกษาอบรมตั้งแต่ยังเป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย มาจนถึงเป็นวัดเมื่อเป็นวัดแล้วได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสก็ได้ดำเนินกิจกรรมให้การศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติตลอดมาโดยที่วัดเรานั้นได้ทำหน้าที่เป็นทั้งสำนักเรียนภาคปริยัติธรรม เพื่อให้การเรียนการสอนแก่พระภิกษุสามเณรทั้งแผนกนักธรรมและบาลีจเจริญรุ่งเรืองตามลำดับมาจนถึงนาบัดนี้เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ในทางปริยัติรู้หลักธรรมและในขณะเดียวกันทำหน้าที่เป็นสำนักปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นภาคบังคับว่าพระเนร์อยู่ที่นี่ต้องปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยเพื่อสร้างพระในใจตนเพื่อให้รอบรู้ทั้งหลักปริยัติวิธีการปฏิบัติพระสัตยธรรมให้ได้ผลให้ได้ประสบการณ์ตามสมควรแก่ธรรมมาปฏิบัติแล้วช่วยสร้างพระในใจคนอื่นโดยให้การศึกษาอบรมพระกรรมฐาน รุ่นใหญ่หรือรุ่นสำคัญทำมาตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525มาจนถึงณบัดนี้ปีละสองรุ่นรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงพฤษภาคมรุ่นปลายปีหนึ่งถึงธันวาคมของทุกปีโดยรับสมัครพระภิกษุสามเณร อ, อุบาสิกาจากทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมที่นี่เป็นประจำ นอกจากนั้นที่นี่ยังได้เปิดรับผู้ที่มาขอเข้ารับการอบรมศีลธรรมและภาวนาธรรมตลอดทุกเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละสงครั้งแต่ละครั้งหรือแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์โดยเฉลี่ยสี่ร้อย ขึ้นไปเราทำเช่นนั้นตลอดมาและยังช่วยเป็นวิทยากรไปให้คำแนะนำสั่งสอนในสถานที่ต่างๆและจัดหน่วยพุพทธภาวนาวิชาตรมกายเคลื่อนที่เมื่อจบหรือสิ้นระยะเวลาของการเรียนภาคปริยัติธรรมแล้วก็ทรงหน่วยพุทธนะ พุทธภาวนาวิชาธรรมกายเคลื่อนที่ออกไปช่วยเปิดการอบรมศีลธรรมและภาวนาธรรมแก่สาธุชนพุทธบริษัทในภาคต่างๆทั้งสี่ภาคทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานดังนี้เป็นต้นได้เปิดการอบรมอย่างนี้อย่างมาก และยังเปิดการอบรมทางสื่อมวลชนสำหรับรายการวิทยุมีกว่า30สบสถานีโทรทัศน์อีกต่างหากเท่าที่สามารถทำได้และสื่อมวลชนอื่นมีหนังสือธรรมะเทพสอนภาวนาธรรมทั้งแจกและทั้งให้บูชาในราคาใกล้เคียงกับต้นทุนได้ทามาอย่างนี้ตลอด ด้วยเห็นประโยชน์ของการบำเพ็ญบุญบารมีสำหรับแต่ละท่านละท่านที่จะเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อละความชั่วหรือบาปอากุศลทางกายทางวาจาและใจเพื่อประกอบกรรมดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีอุปบารมีปรมัดธบารมีอันมีในอยู่ในอริมักในองค์แปดคือด้วย การศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาให้เจริญแก่กล้าเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือให้เจริญแก่กล้าถึงเป็นศีลอันยิ่งเป็นจิตยิ่งหรือสมาธิยิ่งและเป็นปัญญาอันยิ่งซึ่งกล่าวโดยรวมก็คือสมถวิปัสสนากรรมฐาน มีในอยู่ในอริมักมีองค์แปดโดยมีศีลเป็นบาทเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงเมื่อรู้แล้วก็รู้ต้นตอหรือต้นเหตุไปถึงเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อรู้จักตัวเขาแล้วก็ สามารถที่จะกำจัดกิเลสเพศแห่งทุกข์นั้นๆให้หมดสิ้นไปได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่คือวัตถุประสงค์สำคัญของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถระสมาคมอธิบดีิสงวัดสเกตราชาวรวมหาวิหารเป็นประธานสถาบันนี้และยังดำเนินกิจกรรมคู่กันกันกบวัดหลวงพ่อสดธรมกายรามโดยมีอาตมภาพเป็นเจ้าวาดนี่แหละเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันและก็ ถึงมาเป็นวัดหลวงพสุธรรมกายรามทำกิจกรรมคู่กับสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายโดยมีมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งแต่เดิมมีท่านาศาสตราจารย์บัรรยสุขชีวะเป็นประธานมูลนิธิมาปัจจุบันนี้ท่านล่วงลับไปแล้วก็มีอาจารย์อรุณงามดีเป็นประธานมูลนิธิช่วยทาหน้าที่จัดการทางด้าน หรือกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้และจัดการทางด้านการเงินและทรัพย์สินอื่นๆของสถาบันส่วนวัดเป็นนิติบุคคลก็จัดการไปตามฐานะของวัดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าวัดมีกิจกรรมอย่างนี้และก็ททำอย่างนี้ตลอดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ในการประกอบการบุญการกุศลเพื่อนำชีวิตของตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขและเพื่อความค้นทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการอบรมกายวาจาและใจด้วยศีลสมาธิปัญญา ให้แก่กล้าถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งและปัญญาอันยิ่งนั้นมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของผู้มีปัญญาที่พอจะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมคือธรรมชาติไปจนถึงเห็นแจ้งรู้แจ้งใน ความจริงอย่างประเสริฐสี่ประการที่เรารู้กันว่าอาริยสัจสี่สำหรับปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวะธรรมอันจะเปิดเผยความลับเกี่ยวกับตัวเองให้รู้ว่าตนเองมีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงของเราตลอดไปเนะี่ยมีหรื อ, อยัง เมื่อท่านได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือกล่าวโดยย่อสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดยมีศีลเป็นบาตรแล้วท่านจะเกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะของธรรมชาติสองอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสังขารเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ที่มีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่แหละเหมือนกับสัตว์โลกอื่นทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหลายพบหลายภูมิประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีธาตุธาตุน้ำดินไฟลมอากาศซึ่งทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของแข็ง อุหภูมิและลมปราณที่ปรนเปลย อ, อยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอมอและวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรับรู้เป็นหัวใจสำคัญของจิตใจหรือหัวใจที่ประกอบด้วยธรรมชาติสี่อย่างคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกว่าเวทนาธรรมชาติที่จดจําอารมณ์เรียกว่าสัญญาธรรมชาติที่คิดน้อมไปสู่อารมณ์ต่างๆเรียกว่าจิตหรือคิดหรือสังขารธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณสอย่างนี้รวมเรียกว่านามขันเป็นกองหรือหมู่ธรรมชาติที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ชื่อว่านามธรรมมีสี่อย่างรวมเรียกว่าใจซึ่งประกอบซ้อนอยู่ในส่วนที่ชื่อว่ารูปประคันคือส่วนที่เป็นของหยาบแข็งประกอบด้วยธาตุน้ําดินไฟลมอากาศที่เห็นได้เรียกว่ารูปประขัน ทั้งหมดจึงรวมเรียกว่าขันห้าหรือห้ากองย่อมาเป็นนามกับรูปรูปธรรมกับนามธรรมานี่แหละเรียกว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแตง่งนี่พูดกันกล่าวเฉพาะเรื่องธาตุเท่านั้นแล้วกินความไปถึงขันคือเมื่อแยกธาตุออกเป็นกองๆองแล้วได้ฝ่ายรูปประขันกองหนึ่งฝ่ายนามมาขันคือจิตใจอี ก, กองหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนประกอบปรุงแตง่ง และทั้งหมดนี้ยังมีธรรมชาติอื่นที่ปรุงแต่งอีกคือธรรมชาติที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณความดีที่ได้ประพฤติทางกายทางวาจาและใจเรียกว่ากรรมดีหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งและธรรมชาติฝ่ายบาปอากุศลชั่วร้ายไม่ดี ได้แก่ความประพฤติทางกายทางวาจาและใจที่ทุจริตที่ไม่ดีที่ไม่เรียบร้อยที่เป็นโทษเรียกว่ากรรมชั่วกรรมดีและกรรมชั่วนี่แหละเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเลยทีเดียวว่าถ้าใครทำกรรมดีอย่างไรอย่างไรกรรมดีนั่นให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขตั้งแต่ระดับโลกโลก คือให้มนุษย์สมบัตินี่อย่างทานกุศลนี่เป็นต้นให้มนุษย์สมบัติมีทรัพ์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติคุณสมบัติเป็นต้นนี่ก็เป็นกรรมปรุงแต่งนะที่ท่านทั้งหลายทำแต่ปรุงแต่งในทางดีให้ได้รับความเจริญและสันติสุขไปตามลำดับแต่ส่วนว่ากรรมชั่ว เช่นประพฤติผิดศีลหรือทุจริตทางกายทางวาจาและใจก็ปรุงแต่งให้สัตว์หรือผู้ประพฤติเช่นนั้นได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่แหละการดำเนินชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมสุขทุกไปตามกรรมแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทางปวงขึ้นชื่อว่าธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ที่มีวิญญาณครองมีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างนี้และกินความไปถึงธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองอย่างเช่นรับสิงคานหรือลาบยศสักการะสันเสริญสุขความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาว่าร้ายความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นเบ็ดเสร็จทั้งหมด รวมเรียกว่าสังขารสังขารคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอบรมกายวาจาให้สงบด้วยการรักษาศีลแล้วอบรมใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตขึ้นไปหรือแม้อ่อนกว่านั้นบ้างก็ได้ ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและกิเลสที่เป็นอุปสรรคขัดข้องปัญญาหรือเรียกว่าเครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ขณะนี้สาธุชนกําลังติดตามรับฟังธรรมะจากรายการธรรมสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบัรยาย ของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโอท่านได้บรรยายไว้เนื่องในงานวันทอดพระป่าวันนวการุษรอนเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำบรรลุวิชาธรรมกายซึ่งท่านได้บรรยายไว้ที่ทุดงคสถานให้แก่คณะประธานใหญ่และท่านเจ้าภาพผู้นําบุญต่างๆกว่าพันคนได้รับฟังธรรมะเรื่องนี้ยังมีอีก ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสุสันติกก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้อาตมาภาพขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร